โอเคพระว่นกประจประสงค์ขอจากหลนตการคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อคเขียนครูบาอาจารย์ป้าเทลามุเตละกระงน้องพี่หลวงพ่อข เป็นเินพรอนไม่ขี่บัทบาตริกาผู้ใดไดนทำที่ไรอาเนื้ตามสบายมุขพ่อเป็นคนแก่ตรงหน้าลงหลังไม่อยากจะพูดดอกถ้ามาน่อยอยากจะให้คนหนุ่มคนนั้นพูดไปคนที่ รู้กว่าเราพ่อมีก็ร้ายอูเข้าใจกว่าหลวงพ่อในร้ายอยู่แต่ไม่ให้ให้พถึงพ่พอมีใกล้ตายเลยให้อูดดมันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอด้ตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ เราเกิดมานงอย่ะให้เสียใ์เกิดถ้าเราไม่รู้อะไรนะไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติแบบอย่างเรานี้ก็เสียใ์เกิดเลยเกิดมันเี่คือเกิดมหามหาจะแต่ใครจะหาหาไปถึกทางถูกทางก็มีผิดทางก็มีเอาตั้งแต่มุงกัตนนับบาลีของใครของมัน แต่หลวงพ่อเนี่ยเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาอายุห้าห้าเจ็ดปีออกบวชชุดเนี่ยบวชครั้งที่สองแล้วตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วก็ครั้งหนึ่งครั้ง น, นี้ามาบวชครั้งนี้ได้ยี่สิบเจ็ดพรรษานี่ียี่ีปี่แล้ว มาบวชกวนเข้ามาทีนี่แล้วพอพอมาเข้าใจแล้วตั้งแต่เกิดมาอายุถึงห้าสบเจ็ดปีนี่ความทําความดีกับความชั่วเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันม่รู้จักพอมาเข้าใจแล้วเนี่ยเราเกิดมาเล่นมาเล่นจริงๆเลยนะตั้งแต่อายุขวบขึ้นมาถึงแล้ตอนตัห้าสิเจ็ดปี ไม่ได้อะไรเลยมาเทียบกันแล้วอันบาปนั่นมันท่อมหัวท่วหางไม่มีมันที่จะเอาไปเท่งที่ไหนก็เอาไปหมดออกคิดแล้วโอคิดห็นคิดถึงพ่อคนดแ่คิดถึงคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักกินกินเกิดมาดังหูหวกตาบอดมีหูก็ไม่ยินมีตาก็ไม่เห็น ของพวกเราแท้ๆเนี่ยไม่มีใครจะแต่งหาเลยไปฟังเสแต่งหาแต่ถึงที่นอกนอกใจของเองยิ่งหาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มเรื่อยไปต่พุทธตเพไปเราไม่รู้จักความผิดอะไรเมื่อก็ทำไปตามจะถายใจตัวเองไม่คิดไปแล้วก็ เกิดมาเนี่ยมาเกิดมาอะไรเกิดมาฆ่าตัวเองจริงๆครมาทวงทมันโทษทำโทษตัวเองหมดทุกคนเลยหมดโลกนี่แหละน่าอัศจรรย์บันไวยไม่มีใครจะมาทำให้เราเลยคุณงามตัวดีคุณงามความดีเนี่ยมีอยู่กับเราเลยมีอยู่ที่นี่อยู่ทีนอกตัวเราไปก็มีแต่ของที่ปลอมรอกให้เรา เพอเยอืย่อทยานอยากเรื่อยไปเรืไปเรืไปไม่มีที่ท้นสุดเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาสร้างพบรางชาติหาความร่ำนวยอยากมียันต์กมีนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นเรื่อยๆไปไม่มีที่สุดได้เท่าไรก็อิ่มไม่เป็นมีเงินร่ำเงินทันก็นมไม่ตั้งแต่ก่อนก็วา่ามันมีเดี๋ยวนี้มีเป็นด้านเข้าด้านถูกด้านน้อยด้านผ่อนนั้นแถ่นั่นเขายังไม่พอใจอยู่ มันมันเอาอิไม่เป็นโลกวะเนี่ยโลกที่เราอยู่เดี๋ยวนี้แล้วถ้าคนมาเนี่ยเขามาใจมาดูดูเห็นกิตเห็นใจตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีวาสนามากที่สุดเกิดมาในี่ยรยมากมันจะไม่เห็นตัวของเลยเลยเกิดมาตั้งร้อยแต่เท่าใดก็ขังเถิดร้อยปีถึงร้อยปีก็ตาม เกิดมาเวียนไปาต่คือเนี่ยไม่รู้จักจบจากที่โลกนี่ก็โลกที่เป็นโลกที่สมมุติไปติดสมมติทุกอย่างเลยอะไรก็มีแต่สมมติสมมติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีคุณมีค่านั่นแหละจะพูดอะไรผิดติดที่เตียสหน่อยก็มาได้ว่าแต่เขาตูถูกนินทาตัวเอง ไม่ลดดันผ่านปันในกันเลยมีแต่เอาความมองหัโตตัวใส่กันจองร่างจองผ่านกันเดือนนั้นพอมาเห็นแล้วเกิดมาแล้ว เ, เนี่ยไม่น่าจะเกิดมาเลยไม่อยากเกิดมาเลยเป็นคนเนี่ยเกิดมาถ้าเราไม่มาแบบนี้นั่นก็เกิดมาเล่น <มา S 1> เกิดมาหลอง เห็นน่าลบเป็นไปตะวันของมุจักเป็นดอกว่าเห็นถูกโอเห็นผิดเป็นถูกเข้าใจไปแบบนั้นเรื่อยๆไปน่าสงสารนกันนี่แหละเรามันนี้ก็ต้องตั้งใจมาพุทปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัตินี่ก็ต้องให้เอาใจใส่ตัวเองไม่มีใครจะทําให้เราทําเองหาเองเข้าใจตัวก็เข้าใจเองรู้ก็รู้แต่ตัวเอง คนอื่นเขาโกนูของเข า, ขาอย่าไปเอะที่เกียรที่ข้างอย่าไปหลงกับมันอกายกับใจเนี่ยพยายามให้หาให้เห็นของของของของสิ่งเนี่ยไปใส่ก็ให้มันไปด้วยกันไปทําการทํางานไปที่ไหนก็ให้ไปด้วยกนันเรารู้จักมันทุกทางกายมันก็เป็นอย่างหนึ่งทุกท้องกามันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเรารู้จักแล้วก็ เขาจะมีที่พึ่งที่อาศัยใจมันโกรธขึ้นมามันเป็นทุกขึ้นมาแมันไปคิดเรื่องนั้นเนี้ขึ้นมาส่วนกายมันก็เป็นทุกข์ไปด้วยถ้ากายมันทุกข์ใจมันก็ทุกข์ไปด้วยเหมือนกันต่างคนต่างเป็นทุกข์อยู่ในหนังที่ไม่รู้จักแยกแยะออกจากกันก็ไปทุกข์ไปด้วยกันนี่แหละ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยมันมาถ้าเรามาปฏิบัติปฏิเพิปฏิบัติแล้วมันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเกิดมาสอนเราถึงที่ทุกข์ความทุกข์มันก็เกิดให้เราเห็นความสุขมือเกิดให้เราเห็นความตกกระํำลำบากทุกข์ยากเขินใจอะไรมันก็เกิดให้เราเห็นหมดเราก็ไปเป็นทุเ็นกับมันทั้งหมดเลยไม่รู้จักแก้ไม่รู้จัก มาตั้งเนี้ตั้งตัวไม่มีความอดทนแล้วก็เปลี่ยนไปกับมันตั้งแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นพอเข้ามาเรามาพุทิปฏิบัติเนี่ยเราก็มีใจอดทนอะไรเกิดขึ้นมานี่ก็เราก็เห็นเราก็รู้รู้เลยมันดีแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาเห็นให้เห็นเราก็ไม่รู้จกักความทุกข์มันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไปไอ้ดีมันก็ทุกข์ไปอย่างไอ้ช่วมันก็ทุกข์ไปอย่าง เจอว่ามันจะดีเรื่อยๆไปมันไม่มีไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่แน่นอนถ้าว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาประเดี๋ยวประเดมาไม่ก็ออะไรมากระทบเข้าบ้านมันก็เป็นอันอื่นไม่อีกเพราะว่าเรามีตาหูจมูกนิ้กายใจรูปที่กินโูปพุิภะธรรมนลมเราไม่เลยจักสํารวมแล้วไม่หยอก ดูตัวเองแล้วก็ก็เป็นทุเป็นไปทุกข์ทุพข์ไปเรื่อยๆไปจนถึงมันตายนั่นแหละจองเวียนจองกันไปตามญาตากรรมของคนที่ไม่รู้นั่นแหละไม่คิดว่าเราไปด้วยกันเนี่ยสองคนเนี่ยมันห้ามไม่ให้เล้าไม่ไม่พูดพูดคุยเรื่องคนอื่นไม่ได้ เราพูดเรื่องคนนั่นดีเรื่องคนนี้ไม่ดีเรื่องคนนั่นดีเรื่องคนนี้ดีอนั่นลูกคนนั้นพ่อคนนั้นแม่คนนั้นสาพระต่างไม่จะว่าใครเอาไปมาวันนะครับมาได้แต่อย่างเดียวเอมันมีรถมีชาติเกินท่าได้พูดได้จาเรื่องนี้ขึ้นมามันพออกพอใจมันมันก็เป็นอยู่นั่นแหละจนกายผมเคยชิน เราเกิดมาเนี่ยเรามาเกิดมาสร้างกรรมสร้างเวนให้ตัวเองไม่มีใครจะมาสร้างให้เราเลยเพราะว่าเราไม่มาฝึกมาหัดเราก็เป็นไปตามยถากรรมของมันอยากรักก็รักอยากแข่งก็แข่งอยากด่าอยากว่าอยากอิดคนใดก็ตามไม่รู้จักไม่กลับขึ้นมาดูตัวเอง สร้างอะไรก็เป็นของสมบัติของเราทั้งนั้นเนี่ยอยากเข้าใจว่าคนอื่นจะมาสร้างให้เราไม่มีที่ไหนจะมาสร้างให้เราเราสร้างขึ้นเองรู้เองเข้าใจเองเห็นเองทำเองเนี่ยมาคิดแล้วนี่เรามาอย่างนี้เราจะเห็นอะไะเราตั้งใจให้ดีการปฏิบัติปฏิบัติให้พาเห็นดูกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันนึกคิด แบงเนี่ยอยากไปห้ามมันมันี่เป็นอะไรก็ตามเรามีกายก็ให้รู้จักอะไรไม่เกิดก็ให้รู้จักนตั้งแต่ก่อนพวกหลวงพ่อที่เกิดก่อนไปเห็นก่อนมาฝึกพิสูจน์วัตเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยไม่อยากให้มันทุกข์เลยอยากถ้าเกิดความสุขมาเนี่ยอันนี้เพลิดเพลินไปกับมัน ใจเบิกห้าวหันเบิกบานไม่เหนื่อยไม่ล้าแล้วเพออะไรมากระทบเข้าคิดเห็นอดีตที่ผ่านม า, มาก็มากระทบเขาปั๊ บ, หบเห็นแล้วก็เอาแบบทุกข์กขึ้นมาเลยเกิดมีความโมโหเกิดโกรธขึ้นมาอยากไปอิจฉาอยกไปพยาบาทอยากไปด่าไปว่าเขาอยากไปต่อว่าต่อหานเขา มันมันเป็นมันเป็นแบบนั้นคนเราเนี่ยมันหม่เหมือนกันหรอกไม่ไม่เหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเลยอ่ามันมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามให้เรามาดูตัวเองการมาปผู้พิให้มันดูตัวเองมันโกรธก็ให้เราคอยคอยดูมันอมาเปลี่ยนความรู้อันที่มันหลงนะครับเมื่อก็อนวไปอ่ ถ้าอยากไปที่โน้นอยากไปที่นี่อ่มันเป็นมีประโยชน์หรือไม่ไปมีประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติอยู่เนี้ยเราจะเห็นหมดเลยความมันคขามันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นความที่เกียรติขั้นความที่ไม่ดีนี่ล่ะมันจะเกิดมาให้เราเห็นหมดเลยเห็นแล้วเราก็หาวิธีอ่วิธีแก้ไขมันทําไงเราจะชนามันได้อย่างเนี้ย ทั้งกายไม่ว่าทังใจต้องอให้เราพยายามมาดูอดทนเนี่ยคำว่าพยายามมันมากั้นขวางคนคุณงามคนเดีย ข, ของเราเนี่ยมันอยากให้เราทําไปทําคุณดีเรื่องนั้นอย่างนี้มันอยาไม่อยากให้ไปมันอยากมาพาทำในเด็กในที่มันชอบใจถ้ามชอบแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันก็ มาปลูกกิจปลูกใจเจ้าของให้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจเราก็เปลี่ยนทุเพนไปตะบุตะมือไปเนี่ยไปวันนี้เรามาฝึกแล้วเนี่ยเราจะเห็นเห็นแล้วก็ตามเรามาฝึกเนี่ยอย่าไปเป็นผู้เป็นพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปห้ามมันมันจะคิดร้อยเรื่องเพราะนี้ก็ตามแต่ว่าเราให้มันพึ่งตัวรูปเนี่ยรูปนี่คือรูปกับนาม มาให้เห็นรูปกับน้ำเนี่ยรูปกับน้ำนี่อย่าไปทิ้งตลอดจนมันตายนั่นแหละเพราะเราอ่ะจะปฏิบัติอยู่นี้ก็เอาเนี่ยเป็นที่พึ่งพิจาศัยาใใกายกับใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่ในนี่แหละเป็นใหญ่กว่าหมู่กว่านั่นแหละที่พึ่งพีจาอาศัยของเราคือตัวนี้อะไรเกิดขึ้นน่ะเราคิดอ่าเข็นติ่งนั้นติ่งนี้อยากไปทํายทอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นเราเที่ยวเคยทามาเราก็ต้องให้รู้รู้ว่รู้วรู้ว่าเราก็ไม่ต้องไปเป็นกับมันหาวิธีเอาชนะมันทห้ได้ควงง่วงง้อเข้านอนอย่างนี้กันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำแรงงอย่าไปทำค้อยทำแรงแงกลับไปกลับมาไดหนมาถอยหลังให้เราเข้าใจไม่เกิดมาแล้วอย่าไปโยนท่อ เราต้องมีความภาคภูมิใจได้ก็ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่าไปให้คนอื่นท่านเตือนปักเตือนครูบาอาจารย์นี่แหละให้เราตั้งอกตั้งใจเพราะว่าไม่มีใครจะทําให้เราได้แล้วก็ทําให้กรรมก็ไม่ได้ทำไปเผื่อใครก็ไม่นี่แหละนี่แหละตัวใครตัวมัน ใครทําได้ก็ได้ใครทำมาได้ก็ไม่ได้แหละของสิ่งเนี่ยหยุดกับเราเนี่ยฉะนั้นให้เราพยายามทํามันเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยนี่ก็เรามาทําวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกแล้วเราก็ต้องอดทนจริงไหมมันเกิดขึ้นมาให้เราเป็นผู้รู้ให้ผู้เข้าใจให้ผู้อดทนกับอันจริงที่มันเกิดขึ้นร่างกายมันก็ไม่หน้าที่ ยังไงไม่เก็บปีปวดไม่ไงไม่ร่ามีหูมันอยากไปทั้มันจะไปนี่อยาไปทันอย่างนั้นอันนี่แต่เราพลดมันจะไปละก็ทางมันเราก็ดูไปจะไปตามมันเรามานําชนไปไหนก็มาต้องไปละมันร้อนมันหนาวมันเก็บปันปวดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจมาเข้ามาพึ่งตัวเนี้ยตัวรู้สึกเนี่ยอย่าไปลุกลี่นลุกลวนอย่าไปร้อนโกรรใจอย่าไปกลัวมัน จะบูดโหกลัวทิพให้มันไม่ได้หรอกต้องเอาอกเอาใจมันบ้างทำันใจดีๆใจเย็นๆไปมันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ให้เรารู้จักเนี่ยเท่าอดทนไว้ก็มาดูกายดูใจเรานี้มันก็ค่อยหมดไปมาไปเข้ามาอาศัยตัวนี้เนี่ยกายขึ้นไวให้ใจรับรู้กายขึ้นไวให้ใจรับรู้ไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งสร้างจังหวะ ต้องมาอาศัยอันนี้ถ้าเราทําไปเนี่ยทำอะไรก็รู้ทําอะไรก็รู้เกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้รู้แล้วก็ทํามันจะค่อยทําความดีเรื่อยๆไปไม่ค่อยเบาอ่อนโยนเบาเท่าบาเก่าเบาใจมันจะเพลิดเพลินในการทำของเราเนอ่มันจะพาเราไปถูกทาง ถ้าเราไม่อดไม่ทนเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ได้อารุณนั่นแหละมันอยากไปที่โน้นมันอยากไปที่นี่อยากไปหลับไปนอนไปพักที่ไหนก็แล้วแต่มันจะไม่อยากไปอ่ะเนั่ยนะไม่มีใครมาทําให้เราได้หรอกเราอดทนจริงที่มันเกิดขึ้นมานี่ยมันสอนเราบดนั่นแหละเรานี่แหละ มันจะเห็นความดีของเราถ้าเรามาทำแล้วถ้าเราอดทนตอบอุปสรรคทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะั่นะเราจะเป็นคนมีสติปัญญาไม่งงเขาเบาปัญญามีอะไรแล้วก็ทาจนสาเร็จทำแล้วมันก็สบายกายสบายใจสิ่งที่เราทำไปนั้นก็เกิด มาเกิดผลขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อยเป็นไปใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ละให้เราตั้งอกใจทำประเทศอพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ของนี่เนยนะตอนนี้เขา ดันเล่าลือกันหมดโลกแล้วแหละประจันตนาพูตเนี่ยวันนั้นมีพวกที่เขามาตักต่างจังหวัดเขามารวมกันเขามาวันน้เป็นวันมันวันมาบาลนภาพของหลวงู่เทียนแล้วก็มาทำบุญวันเกิดของท่านแล้วก็เขามาถามกัน อย่างพักตัดตนนีเนี่ยเน่ัเขาพวกตัดตนาพวกทำนาะทุโแล้ว่าเขมาละหังนเขาเขาเข้ามาเขาเข้ามาเขาเข้ามามาถามกันเขามาถามกันเรียกว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่ เราเคลือ่อนยกมือสร้างจังหว่านี่มันรู้ากายรู้ใจได้อย่างไรเ<ล>ขาก็ถามถามกันแล้ว เ, เขาก็เลยบอกว่า ม, มันเห็นอะไรบ้างเห็นกายเห็นในมันเป็นยังไงเขาก็ถำพวกเราพวกเราก็ตอบไปพ่อท่านเขาตอบไปพู้ที่ฟังกัน จนจนได้ถึงมาหยุดก็พอฟังได้ได้ดีดีนี่แหละแต่เขาปฏิบัตมาเขาก็หลนทางเหมือนกันทุกทุกสายน่ะต่างคนก็ต่างว่าเป็นตักถนาพุทธแต่ว่ามันการการปฏิบัตินมันไม่เหมือนกันต้องการอันเดียวกันนั่นแหละก็ต้องความรู้สึกนี่แหละอย่างเราไปยกมือน่ ยกมือไปเอามามามาถอยเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้มันรู้อย่างเนี่ยแล้วก็กายมันก็เดินทาหน้าที่ของมันไปใจมันก็ทำหน้าที่ของมันไปม่อก็ดูกันถ้ามันออกไปเราก็เอื้นเรียกเข้ามาต้องให้กายกับใจนี่เป็นอันเดียวกันนี่กายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้รู้บอกหนเขาถามมัน ลูกก็คนหนึ่งคนเราเนี่ยมันมีทั้งกายมีทั้งใจสิ่งที่เป็นวัตถุก็มีสิ่งที่ลูกเจอไม่ไม่มีตัวไม่มีตัวก็มีนั่นแหละเขาก็บอกว่ามีลูกตับน้ำในหน้าะ้องตรงนี้ถ้ามันออกไปแล้วก็ท่านแต่ก่อนเคยไปอยู่กับความคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืน สร้างภพ ส, สร้างชาติให้อยู่ตลอดพอรู้จกเข้าไม่จะเข้าเนี่ยเขาไม่จะมที่พิ่งที่อาศัยคือมื่อขนกายมาขนใจยนี่แหละพอไม่คิดตับเข้ามาเนี่ยเราก็คอยมาอยู่กับตัวรู้ดีความคิดนั่นนะตัวต้นตะโกนเราเเป็นกันมันนี้เราก็ไม่เป็นเราก็ไม่อยู่กับตัวรู้นี้ความคิดมันก็หายไปน้าวันน้าคืนต่อมา เข้ามันก allora, ็ค่อยจับได้จับได้จับได้นี่คิดขึ้นมาเท่าไหร่การู้ร okay oui> ู้ลงทื่งไปรู้ลงทื่งไปนี่ตัวสติตัวบรรดาของมันเกิดขึ้นจากการคินไหว้การรู้ของเราเนี่ยพุระบัวผู้ลูกผู้ตื่มผู้เบิกบานมันเกิดด้วยกับกเราพวกที่หน้อเขาก็มีใจดูน้อพร่องนอพูดโทว่างให้ใจออกเข้าไปพูดให้เขาออก เขาใจเข้าออกคุยใจเขาเขาบอกว่าอยู่เหมือนกันเขาก็ต้องการอยเห็นตัวลูกตัวดองเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วน้องปู่ท่านหนึ่งมามาเนี่ยไม่ต้องว่าไหนสามาไหไม่ต้องว่าไม่คุยเหมือนกันหมดมันต้องการตัวรูกถึงเนี่ยแล้วก็ตัวรู้ถึงตัวบุญภาวนาเนื่องเป็นบังไปบังบางทีก็ผิดบางทีก็ผูด เดินไปก็มีแต่ไปคิดตั้งแต่พื้นที่มันไปเกิดขึ้นมานะก่อนมันจะลบอะไรไปเขาพูดทางแพศนั่นนะเมื่อก็เป็นแบบนั้นนี่แหละให้เราพยายามทำนี่แหละมันง่ายๆพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปกำหนดมันเลยไม่ต้องไปว่าเลยเดินไปเนี่ยเดินไปพอเข้าถึงไปใคาเข้าถูกฝุนดินอยู่เลย ยกมือเล่นๆนะลู่เฉยๆลู้ไม่เอาอะไรเนี่ยรู้เฉยๆเน่ะไม่เอาอะไรมันจะเกิดอย่างเตารู้เนี่ยมันจกเกิดเองปันยังคล่ำให้เราอยู่ตองอยู่ได้นแะนี่แค่นี้แหละอะไรเกิดมันเป็นพลุให้เราเป็นคนลู่ตั้งแต่ก่อนเราเป็นคนเดินตอนนี้เราไม่ต้องไปเปลี่าเป็นเป็นคนลู่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเลู่ลู่เราก็ทิ้งไปลู่เราก็ทิ้งไปทำใหม่ลู่ใหม่ทําไม่ลู่ใหม่อยู่ตลอดวัน เรามันไม่เข้าใจง่ายนั้นะเพราะว่าเราไปติดอยู่กับความคิดบ้างเอาติดอยู่ไปหาอดีตบ้างอนาคตบ้างไปคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราสิ่งนี้คือมันเกิดมาจากเราตั้งแต่อ่อนแต่ออกมาแล้วเกินกลายเป็นความจมนี้จำนานมันก็เลยหลงไปอยู่กันตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีไป จนตายขา่าวจ้างพบจ้างชาติไม่ได้จักไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักเอาอย า, อยากอยากได้อยากได้แต่ไม่รู้จักเอาเป็นอยู่งั้นตลอดไปอายุถึงสิ้นใคถึงสิ้นบรรพายแล้วก็ยังก็ยังคิดอย่างเดิมอยู่ถ้าเราไม่มาเข้าหาถึงนี่ถึงแล้วอยพูดเรื่อง เราจะไปสร้างแผนนะสร้างภพสร้างชาติอยู่ในนั้นไม่มีวันวันจะได้หนีจากโลกนี้เลยเนี่ยทราบอย่างรู้จักเราเนี่เกิดชาติต่อไปนี้ก็เราบนเรือนนี้ก็ให้บนดูนี่ก็ได้ดูเราเดีนี้แหละชาติได้คือคือเราทําอยู่ในนี้ชาติจะเกิดมาเนี่ยต่อไปเนี่ยให้ดู เราสร้างใค้ทําปัจจุบันดีมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยให้เราอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เรายกมือไปเอามือมาเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยเราอย่าไปลืมกายกับใจของเราเนี่ยให้มันทํางานด้วยกันไปไหนทําด้วยกัน ตามหน้าที่ของเราถ้าที่เป็นครูเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายพ้เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาไดาชาวนาพราคข้าก็ขายหน้าที่ของเขามันเอาอันนี้ตัวรู้ตัวเนี้ไปประกอบเขามันจะรู้สึกว่ามันจะภาคภูมิอกภาคภูมิใจตั้งแต่ตอนนัมันไม่อยู่ด้วยกันมันไปเรื่องอื่นคิดไปพิถีพิถัไปกลายกลายของเราเนี่ยเดียดีมัน มีความมั่นพึ่งกันมั่รักกันแล้วก็มันก็ไปไหนก็ไปด้วยกันทําอะไรก็ทำร่วมกันพูมบกุรมใจอยู่ท่ากับตัวเองแล้วก็ทําอะไรก็มีความขยันเหมือนเพียรไม่รู้จักเก็บไม่รู้กเหนเหนื่อยล้ามีแต่พื่อความเพื่อเพื่อนเพื่อโดยที่พ่อฆ่าพ่อขายก็เพื่อเพืนไปขายของขายดีพูดก็พูดดี เป็นมหาเนยร้ายแล้วขวักทีเขามาค้าขายเขามาเอาหลวงพ่อไปนั่งร้านให้ไปดูร้านให้ไปสันเข้าร้านให้เขาขายดับขายดีจนเขาไปไหนก็ไปมีแต่คนนิ่มวนไปหลวงพ่อท่านพาไปเขาออกปากมาฟังก็ว่าพรกเขอตั้งใจพระไปขึ้นบ้านให้เนี่ย ขายของดีดีอจนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเขาบอกเขาพูดให้ฟังเขาเกาว่าเป็นจริงนั่นนหละเราหากินกับพระพุทธพระธรรมพสง์ไม่เป็นไรไปทำก็นี่แหละเราทำอะไรเนี่ยเรารู้จักรู้รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยรู้คือตัวปฏิโตปัญญาของเรานะไม่มีตัวไม่มีโตันอก แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นกับคน ท, ที่เขาทําดีพาทําดีบแล้วก็อยู่กับคุณพระบะเด้ก็อยู่กับคุณพระพระพุทธศาสานาเนี่ยเป็นตึกตาก ต, ต, ต, ตัวเอกในโลกดูเนี้อินเทอร์เน็ตเขาออกทั่วโลกเลยใครๆเข้ามาหาชื่นชมะึกเป็นาบ พุทธของเราเนี่ยแหละมันพุทธาอยากในโลกเมื่อเป็นจริงๆคนที่มาปฏิบัติเนี่ยที่เหวเนี่ยเราทำเนี่ยสามารถออกจากทุกได้แทบทุกคนเลยคนที่ไหนขยันเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีทุกเลยหลายล้วทั้งทุกพวกที่เป็นทุกๆเข้ามาอยู่ในที่เนี้พวกเป็นนักโตก็มีเป็นในร้อยในพันในพลผมเทีไป มาเขาออกจแกทุกได้หมดเราจะเป็นอยู่เฉยๆรีบเข้ามามาทําของจก่งมันเกิดขึ้นแล้วบอกว่าเนี่ยคนในพูดให้ฟังก็มีแต่ออกแกกิริยาตัวเองที่เราได้ได้ฟังคํำตอบของครูบาอาจารย์มาสอนแล้วก็ได้ทำพินแล้วก็ได้มาพูดด้งยกันฟัง อย่างน้องพ่อเนี่ยไม่นึกไมฝันเลยว่าจะได้เข้าใจถึงมากน้องพ่อเขาเขียนท่านไปพูดที่ประเทศในฟังอยู่ที่บ้านบ้านน้องพ่อพนยอยู่บ้านคุณท่านใครน้องพ่อบวชว่าจะบวชบ้านมาบวชปียาวพอหัวบาลแล้วพ่าจะมาบวชเออมาจะมาชุเชจะก็นั่งพูดบอกว่า ก่อนจะติดนี้ก็ให้ไปเข้ากรรมก่อนมันจึงจะหมวดกรรมหมดเวรตีทำความไม่ดีมันจะค่อยลดละออกไปเป็นความดีขึ้นเกิดขึ้นมามันจะดีก็อยากได้ดีก็ต้องไปไปปฏิบัติเพราะน้ำพ่อท่านเทศเนี่ยน้ำพ่อไม่เคยได้ยินไม่ดีนะเทศเทศอย่างเนี้ บางที่เราเนี่ยท่านเทศไปเทศไปเนี่ยท่านรู้จักรู้จักจิตใจของของท่านรนะรู้จักจิตใจของพ่อหลงพ่อทอะไรหมเยท่านเทศไปหมดเลยที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เราทาไปเนี่ยมันทผิดแล้วก็ท่านก็รู้เรื่องเรื่องมันผิดเนี่ย มนแล้วก็หลวงพ่อน้ำตาไหลเลยโอ้ยพระหลังไปก็พระอรหันเนี่ยมันหมดยกไปสมัยแล้วตอนแต่เป็นเด็น้อยเด็กนักศึกษานักธรรมเรวก็บัดนี้ก็มาเดินหนึ่งแถวก็มาคุยกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันหมดแล้วหลวงพ่อเเาพเราเนี่ยไม่ไม่รู้จัก ไม่ได้เข้าพักไม่ไม่ไม่จากพระพุทธเจ้าีก็ไม่ไม่ได้ไปนิพพานแหนว่างเนี่ยไม่ได้เป็นพระอันหันเี้ยก็คากันคุยกันดีหน่อยวันนี้เพราะว่าปฏิบัติพอไปเรียนท่านครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าบวันลูพุทธมณแล้วในพระอันหันไม่มีรอกถามว่าอย่างนี้ก็เชื่อเลย แค่วราเพากันเห็นพระท่านเทศก็ว่าท่านแต็มหมดลุบหมดถุงหายแล้วบับนี้พอมาเห็นบางปุ้ท่านพูดให้ฟังอ่าเราขอเชินท่านพูดให้พู้ฟังก็จาไปที่มีบริษัททุกสี่นี่ปฏิบัติบัพปุปฏิบัติอยู่แล้วนะพ้าอาหารไม่ได้ไดยมีจะโลกเราได้เลย อยู่ในโลกเนี่ับท่านว่างพ่อก็เอ๊พระอาจาร์ทำไมไม่เห็นเคยได้คนหลวพ่อนี่ว่าหลวงพอเป็นตัรผานมาเอไม่เห็นคนมุตั้งด้งได้ทุกคนนลต้งแต่ก่อนร่พระอาจ์เนี่ยขได้ห้ท่านก็บอกว่ามีงงานหลพ่อพระอารนี่ก็คือ หันหนักให้กเลสทั้งแหละเขาว่าเราโกงช่างเราจะไปถูไปชาไปเราไปให้หมดท่านผู้ที่ฟัง่ก็คิดอยากคิดอยากอยู่ต่ออีกบานเนี้ยคิดอยากอยู่ต่อก็ไปขอบบไมู่้วยจากที่ไปนะไมู่้วยจากที่ไปไม่ด้วยจะไปเดือนกับใคร พ่งแตอนอเห็นจังพ่อเราพูดให้ฟังบุคุไม่รู้จักว่าท่านท่านสอนแบบนี้มีแต่ท่านทท่านเพื่อนฟังแล้วว่เอาหนังสือไปให้ท่านเอากระดาษดินชอไปให้จังพ่อเก็บให้ผมบ้างที่ผมชอเทีย์เส้นผมจะเอาไปเทษเทศ ตอนจะเดินฟังฟังบอกว่าเว้ยผมเทียดไปได้เทยได้มันเขียนไปได้ไงลพ่อเทียดดอกเขียนมาได้ดอกมันไม่รู้ว่าเทื่อเรื่องอะไรมันรู้จักเจ้าของเพืองก็ไม่รู้จักไม่ได้เรียนมาเอาเป็นทไมยังยังพูดได้ลูออ๋อวัดวัดปฏิบัติเอาทได้อะมันต้องพูดได้ทุกคน เราตามมตาใจของเราอ่ะเราไม่ได้เอาใจของของเราของคนอื่นเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นเองเราเข้าใจเองเราพูดเองเห็นเองก็เลยอยากทดทองบัดเนี่ยยังที่รักบัดไม่อยากมาดอกคิดอยากคิดอยกมาแล้วบัดเนี่ยคิดมันจะมีจริงรือไม่จริงอ่ะพระโพธิสัตวนานี่เนี่ยคนมาประปฏิบัติพ่อเห็นท่านนล้วพอเข้าใจท่า เวลาเมียเต็มตะขอนจะไม่คิดนะคิดถึงดูคุณเต้ไม่คิดเลยเนี่ยนี่เพราะว่าทอยากเป็นอยาเป็นปฏิบัติก็บอบให้เบบ้างฟังเขาก็ให้มาฝึกปฏิบัติที่แรกเขาจเอาสามเดือนถ้าไม่ได้เต้ยนตื้อมือนี้ก็เราถึงสมเดือนก็เข้าใจ เข้าใจแล้วก็จิตใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วนะเรื่องพวะาเดมินันะไม่ไม่เชี่ยเครื่องรางของขรังไม่เชี่ยคนดู้วามคงเนี่ยกระตุ้นมันยันในอะไรที่ทำไปหลายเนี่ยเอาทุ่งมดเลไม่ไม่ใช่ของกิงไม่เอาเขาเรียนผู้ปฏิบัติพวกเด็วเขาก็เห็นหลวงพ่อเอาทุ่งลงไปเขาก็ ไปมุเอาให้มุดหัวเาพอไปเอาละวดงนั้นมาไม่มีอะไรเลยมีแต่การประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวอย่างนี้แหละแ้วไม่ปรานาอ้อนวอนเพราเราอยากไปปรานาอ้อนวอนอะไรนะไม่มีอะไรรอกจะมาช่วยเราเราช่วยเราเองตัวของเราเองตัวเครเราเองอย่าไปคิดว่าตรงนั้นจะมาช่วยเราตรงนี้จะมาช่วยรไม่มี ในตัวของเราเองเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าในท่านสอนเอาแต่ของจริงเพื่อให้เราฟังเป็นอัตภิอัตโนนาโปรเตน่าเป็นิปเอของตนไม่ได้ปเรื่องคนอื่นมาพูดตัวของใครของมันเอาภาษาใจของใครของมันพูดอย่างที่พูดตอนนี้เราเข้ามดเรียนในจริงๆนะเดอนหนังสือเนี่ยตอนที่เนี่ยตอนที่มาบวชชุดเนี่ยจะไปเอาหนังอมาอ่านหลวงปู่ไม่อ่านเลย มันจะเป็นนิตรเป็นมีแต่ความคิดนะไม่ได้ไปคิดเอามันจะขัดแนวเรียนนั้นเรียนนี้อย่าไปอย่าไปเรียนไม่ต้องไปเรียนดอกเมื่อปฏิบัติเนี้ยทนมันเข้าใจแล้วก็พยายามทำไปทำไปแล้วก็รู้จักบูบูจักนาำรู้จักบูทำนามทำรู้จักบูโลกนามโลกรู้จักทุกขั้อันนี้จังอนนัตตามันค่อยรู้จักไปรู้จักไปรู้จักแล้วก็ คนลุกขนพอมใจดับใจดีเพื่อเพืนไปกับมันอไม่มีคนง่าเหมาห้องนอนเลยมีแต่การปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบมานี่ไปเห็นตมุดตุ้มมุดนี่ก็เห็นไมไม่เห็นอะไรเห็นอะไรแต่มันเป็นตุ้มมุดทั้งมดเลยนยังไม่หมดถ้าไปเห็นค่อยเห็นเขค่อยเห็นอ้า คอเห็นอนนั้เป็นสมุดเอาไปาหมวดโลกเลยเป็นสมุดหมดหมดหมดเลยทั้งตัวเราก็เป็นสมุดตาหูจมูกเลื่นไกลไกลเป็นสมุดทั้งหมดเลยนี่เราเราคนนี่แหละแต่งขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่มีสมมุตินี่เลยก็ไม่จักที่เรียกกันว่าไงผู้หญิงผู้ชายนี่กูบายจานไม่รู้จะเรียกที่ชื่ออะไรก็เลยรู้จักว่าสมมุติสมมุินี่คือมันเปลี่ยนแปลง มันสมมตได้มันสมุติให้เราเลือกใช่หรือเรามาเสริมสมมตินี่พวกอย่างเราวัตอาศัยสมุติทั้งหมดแต่อะไรก็สมมติมุดเลยถ้าเราใช่เป็นเมื่อก็มีบุญมีคุณถ้าใช่ไม่เป็นเมื่อก็มีโทษอาศัยไม่ได้ถ้าไม่นั่นแหะถ้าถ้าไม่ช่ไม่เป็นน่ะมีคุณมีค่าแล้วควร เนี่ยเราก็ไมอาศัยอยู่นี้แหะอยู่กสมมติเนี่ยก็ไ่คัากกสมมติออนนี้สมมติเป็นของที่ไม่แน่นอนเนี่ยพระพระเจ้าท่านเจ้าท่านที่มันมาสอนให้เรารมาทดกบปฏิบัติเนี่ยเห็นกิดใจตัวเองให้เห็นถึงที่มันเปยนงคือกิดใจของเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็ให้รู้อยากลดหอนท่อนันรู้อยกปลดปล่อยทั้งกิดทั้งใจของเราจะทาอะไรไว้นั่นน่ะเราอย่าไป เอาไปะขึงเตะหวงเตะข่วงเตะยอะไรใหมันมากเนี่ยเราก็พห้รู้จักน่ยให้เราโดนผ่อนทันไปนี่ได้เท่านัรนก็ค่อยๆทำก็ค่อยนั่นไปู้จากก็่พอมนมยึดด้จากเจยด้วยจากซื้อจากหาอยากเป็นคนขี้เกียจที่ข้านถ้าคนขี้เกียจที่ข้านนั้นแหะมันไม่มีไม่มีหลกบามีมันก็ไม่มีถ้าคนขยันเนี่ยมันต้องเป็นคนดีไปตลอดไป แต่ยไก็มีแต่คนรักแต่ที่ไหนมีแต่คนอยากเป็นเพื่อนเป็นหนูเป็นฟงไปอยู่ตกที่ไหนก็ไม่ตกทุกข์ยากให้คิดข้ามหนึ่งมีลำบากในใจในใจของตัวเนี่ยเป็นทุกข์ยากเดินไปไหนก็เขาก็ไม่อยากเป็นเพื่อนหรอกเงินทองอะไรเขาก็กลัวเขาจะเสียหน้าเสียตาเขาไม่ไปครบร้อยแหล่นั่นแหละอย่าไปอาอนอื่นบารมีของเราเนี่ยคือความขยัน เราอยู่บ้านเนี่ยถ้ามีความขยันแล้วอะไรเขาต้องไม่ต้องปรารถนาอ้อนวอนอะไรให้มาช่วยทําเองรู้เองเข้าใจเองเนี่ยถ้าเรามีเงินมีทองมีเข้ามีของมีสติปัญญาเราก็ว้ายมันไม่อดแล้วบัดเนี่ยเนี่ยให้เราเลื่อนรถย่อนพันเราเกินถึงไหมเนี่องเราจะเอารับอารเอาเปรียบใคร เนี่ยทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วกรรมคือการกระทํากระทําชัว่วแล้วก็ทุกข์กระทําดีอย่างดีเป็นแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยู่าบนนั้นเราทำเองให้เราพยายามละฝึกมันก็ต้องคนเก็บเวลาแล้วก็ สิ่งอันเพลินน้อยที่เราพอพูดมันก็ถูกบ้างผิดบ้างมันติดตั้ ง, งตแต่การในก็ขอไยด้วยของวิถีต่างทมันมันก็มีแตการแาบนี้